ชีวิโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญตามพระราชดาริเป็นสถานที่ศึกษาของพระพิสุ์และสามเณรในทางพุทธศาสนาเป็นแหล่งเพาะความรู้ทางธรรมรวมทั้งความรู้ด้านสามัญกรมทรัพยากรน้ํากระสวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนระบบน้ําดื่ม ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสา ม, มัญศึกษาในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือรวมจำนวนกว่า50แห่งโรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษาบ้านดอกสะบัรงาตมวลป่าตันอาเภอแม่ทะจังหวัดลาปาง เป็นหนึ่งในโรงเรียนพระประยัติธรรมที่ล่มทรัพยากรน้าได้เข้ามาติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดพร้อมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งพระครูและสา ม, มเณรรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจึงได้น้ำที่มีทั้งความสดใสความสะอาดและปราศจากกลิ่นน้าคือชีวิตควรคิด